บทแผ่เมตตาแก่สัพสพสัตสพเภสัตตาสัตทั้งหลายที่เพ่งเดินทุก์เกิดแก่เจ็บตาย้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนทุกข์จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อาภยาปชาหโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ, อย่าได้ภยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ, อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานัมปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิด